จะพูดยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะสิ้นจบได้เพียงเป็นแมแนวคําพูดเพื่อเป็นการพูกศรัทธาตนเองแต่ความจริงแล้วมันกาปฏิบัตินี่สำคัญคือปฏิบัติเราพูดกันวันปฏิบัติวันนี้ก็มีภาพทกอะไรับนี่ก็จำไม่ได้จะเป็นคนอินเดียหนุ่มสององค์มาจะพัฒนาท้ามาเรียนในช่วงนี้นั้ น, น มา ข, ขอจบกรรมฐานอย่างสามเดือนนี่คนมันจะเรียนจบได้มันก็ยังมีภพสงสัยเรื่องการปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี่มันก็หลายอย่างบางคนพอปฏิบัติกรรมทานบางคนก็ต้องรับลิ้นบางคนก็ต้องให้ทานมันหลายอย่างแต่ บรรลุเนื้อหาสาระธรรมะจริงๆแล้วก็คือมาแก้ไขปัญหาที่ผมยุ่งยากผมยุ่งยากหมายถึงอะไรคือผมขุม่มโมเดือดร้อนผมสับสนวุ่นวายนี่เนี่ยเมื่เราจะเรียนทางธรรมะเนี่ยว่านักดมตีนักทโทรนักทำเอจน ได้ปเปลี่ยนสองสามถึงเ้าประโยชน์ก็มีความหมายจะมาแก้ปัญหาตัวเองวันนี้ทางโลกก็เช่นเดียวกันเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสี่แล้วก็ม .6 แล้วก็ถึงปริยาจีปริยาโคถึงปริย า, ย า, เ, ยาเอกเขาเรียกว่ากเตอร์ก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องความปุ๊บคนสับสนวุ่นวายถ้าพูดภาษาคนใหม่เขาเรียกว่าเซ็ แต่ความจริงละบ้านก็เลยวัดคบเหมือนกันความเส็งกับความเบื่อหน่ายใช่ไหมเป็นงานาองแคนความเบื่อหน่ายในการงานเลยนะเบื่อหน่ายในที่ตัวเองดังนั้นจ้งควรทําธรรมทาบางคนไปเรียนหนังสือเคยสอบไปได้ที่ยวเรียกสอบมาได้ไม่ได้เสียใจแล้วเป็นความเสียใจกับเพชน้อยเนื้อจันใจเบื่อหน่ายทีวิตตัวเองบางคน ก็เลยเป็นทุกขบางคนเคยเรียนมาสอบไม่ได้เลยสอบกี่ั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้ก็เบื่อหน่ายเห็นเพื่อนเพื่อนเขาได้เราไม่ได้บางคนเรียนสอบมาได้เป็นทุกคนผลได้ไปสอบสมัครงานอย่างว่าจำนวนเจ้าคนงาน จ, จะติคนลมีคนไปสมัครงานยังน่าก็ต้องยี่สิบคนร้อยเมื่อสอบไม่ได้ก็จะ น, น้อยเนื้อสําใจเข้าไป อันนี้มีแต่ร้อนแน่มีแต่เกิดเมื่อคนพวกเกิดขึ้นมาแล้วครับเป็นคนคงตารือซึมเศรา้ทาทั้งนี้ดีกว่าเนี่ยแม่งซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้ า, รารบ้านเราคนเดียว่าคนเงนะือกอะซึมตาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรนะคนเลาไม่รู้เรื่องคนระับเนี่ยมันมันต้องเสียอย่างนั้นจริงว่ะหลักพุทธศาสนาอิสซาเนี่ยไปให้คนเราแก้ปัญหาตัวเองท่างสังคม เรื่องความเหงาตึงตึงตาตึงเสานั่นจะไม่มีไม่เกิดขึ้นเรื่องความเที่ยวเหงาอย่างที่บ้านหลวงพ่อเจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ า, วามันรู้ทำเองการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทําำการก็ทําแบบนี้เรียวว่าสมถะกรมกรมฐานสมาถะกรรมฐานนั่นเรียวว่าทําให้สงบจิตสงบใจ จะทำํำมิจฉาพอตามให้มันสงบติสสงบใจเราทุกคนเรต้องการความสงบเลยไปอยู่ที่แหนน้องกเ็เดือร้อนมันไม่สมงบไปทํ า, าสมาทานสมาทานก็เช่นเดียสงบแต่ เ, เมื่อในขณะที่เรานนั่งอยู่คนเดียวเราไม่ต้องพูดต้องคุยใครหลับตาอย่ในในองางเงียบภานาจะหาแจกเข้าก็ได้จะหายใจออกก็ได้สั้นยาวหรือลมหยาบละเอียด แล้วแต่กเราจะรู้เราจะพูดสบายการสนอนยังไงก็ต้องพูดไปบางคนก็บพูพโทอาจจะเข้าออกพูดโตอย่างบบนี้หรือว่าสมาหังก็มีนับหนึ่งสองสามคนอันนี้เป็นวิธีทางนะั้นแต่ไม่ใช่เป็นตัวจริงเป็นวิธีเหมือนกับเราที่จะไปเรียนหนังสือครูให้จับซ้อจับกระดาษมาให้อันนี้ยังไม่ใช่ําเป็นแต่เพียงครูแนะน้ำวิธีจับสออย่างนี้เอากระดานมาวางนี้ก่อน เขียนแปดเขียนแต่เขายังไม่เกิดไม่ถเรื่องนี่แหละเป็นวิธีทำดังนั้นที่พูดมาเนี่ยเป็นวิธีทำถ้าใจสงบง น, นัแจ่มิดแจ่มไม่สงบบางคนคนทุกขคนคิดเนี่ยแต่มโคลนจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องโหยสงบสงบอย่างหนึ่งถ้าสงบอีกอย่างสงบแบบไม่รู้สงบแบบหนึ่งสงบแบบรู้สงบแบบไม่รู้เขาเรียก ว, วัดสมนัน เป็นอุบายสงบจิตสงบแบบรู้เนี่ยมันสงบคนละเรื่องกันสงบแบบรู้เนี่ยไม่ใช่จ้องการกับที่ว่าจิตสงบคือสงบแบบปัญญาสงบจากความหลงผิดสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะหรือสงบจากขมไม่รู้คือมันรู้แล้วมันต้องสงบถ้าไม่รู้ก็ต้องอย่าไม่สงบเมื่อขณะให้ยังนด้ให้มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่รู้ที่มือขึ้นไม่เป็นอย่างนั้น ให้รู้สึกลงไปมันไหวกันมันให้รู้สึกตามผมมัเพื่อนมันหยุดก็ให้มันรู้สึกสันทีมันหยุดมันไหวไปให้รู้สึกอันนี้เรียกว่าสงบสงบแบบรู้สึกเหมือนบนโตเดี่ยวเป็นการเจริญพัฒนาก็ได้เจริญก็ได้พัฒนาก็หมายถึงเราทาให้ที่งที่มันไม่ดีเราตอบแก้ตรงพัฒนาให้มันดีขึ้น บัณฑิตเขาจะลืมก็ทําให้มากขึ้นเมื่อทำํำมากจะเป็นยังไงไม่ต้องรู้ลงหน้ารับรองว่าคนทําอย่างนี้ทําให้ติดต่อสม่ำเสมอขึ้นจริงๆแล้วให้เวลาเข้าสิบปัจจุจะลดน้อยแต่ถึงไม่มลดก็จะน้อยไปด้วยซความสงสยัยร่งเลก็จะหดไปและความไม่สงสยัยร่งเลก็จะมากขึ้นเพื่อควมรู้แจ้งให้จริงมากขึ้นมากขึ้นผวมไม่ได้าหายไปเอง เมื่อความไม่รู้หายไปหมดแล้วมีแต่ผมรู้เขาว่าผมรู้เท่าไหว่าสติสมาธิปัญญาล้วนๆเนี่แต่เราไม่รู้่ะสติสมาธิปัญญาล้วนๆได้มีกฎหมายอย่างไมรมคือว่าสติสมาธิปัญญาล้วนๆคือมีแของล้วนๆไม่ใช่ของปอมแปลงไม่ใช่ของหลอกลวงเขงาบอกล้วนๆเนี่ยหมายถึงว่ารู้ก็รู้จริงๆใิที่กกสุด ไอันนี้ทรงอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตายแล้วถึงจะได้รับไม่ได้หมายส่วนรับผลตั้งแต่เมื่อยังมีลมหายใจในขณะที่ทํานี่เองอยู่โงวิถีนี้คือเป็นวิธีที่เอามาใช้กับชีวิตจริงๆเช่นเราทําบุญก่อกรรมตาธนาขอบุญแต่ไม่เคยรู้ว่าบุญคืออะไรไมรู้ลักล้างศีลก่อไปงดเว้ยเนี่ยแกวดีแต่ไม่ไม่รู้ความจริงและบุญ เหมือนกับที่เราอยู่ที่สวรรค์สามารถจะมองเห็นด้วยสายตากระซาย่างเรี๋ยสิอย่างนึ่ ง, นงกาคือหนักที่แรกเราหนักเมื่อมาลู่ของจริงมันเบาสึ้นในกระถางมันเป็นเรื่องสมมุติเท่าไหร่เป็นหน้าที่ทุกคนจะเลยนได้เลยนี้ไม่ใช่จะยกให้ภาพของของเจ้าหรือไม่ได้ยกให้ใครๆทั้งหมดเป็นสิทธิที่คนทําได้แต่แล้วบุคคลคนที่จะทํานั้น่ะ จะทำจริงไหมหรือทำไม่จริงถ้าทำไม่จริงก็ได้ของไม่จริงถ้าทำจริงก็ต้องได้ของจริงไปของจริงคืออะไรคือผมรู้นี่แหละแต่ผมรู้นี่แหละจะยืดยื่นให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้จริงหรอกาการทำบุญดีแล้วแต่ว่าจะให้คนอื่นเอาให้เราไม่ได้อันนี้เป็นวิธีทำจังหวะให้มันเป็นตรงกรับเรียบบุตยอ่อยโคเหยียบเคลนไว้อันนี้บรทั้งสิบไปยืนเดินนั่งนอนนั้นเอาไปแล้วอะไนี้ยคือ พูดโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติวันนี้ท่านสอนเวลาน้ำอย่างนี้ยมันเจ็บแค้งเจ็บขาหรือปวดหลังปวดเอวเปรี้ยนได้อันนี้เรียกว่าสัมภาษณ์ศักยภาพตับมันก็ทําได้คนก็ต้องทําได้ใครๆทําได้แต่ว่าการจะทําแบบนี้คือเป็นมิจฉาวาคือไม่ให้มันลง ทำดีๆแล้วก็ไม่เมื่อมันไม่หลงแล้วก็แสดงว่าเราภาวนาในคันทัดออกมาทำให้จิใจมันมงกวอาดนะฟุ้งกันแล้วค่ระวังไม่ต้องระวังให้มันฟุ้งมันยิ่งฟ้งก็ยิ่งดีทีอดีตทีไม่ใช่ให้สงบแต่มันสงบอีกแบบหนึ่งทาอยู่ในบ้านให้มันรู้สึกสวดพอที่มันคิดรู้สึกได้ังมันมันก็จะมาอยู่สตัวนี้พอทีมันคิดปุ๊บนะครับคิดแล้รู้สึกใจให้มันรู้ ให้มันรู้คิสแต่อยไปห้ามของคิที่หลวงพ่อพู ด, ด, ด, ดนนแบบนี้ก็จะงงมัไวที่สุดพอดีมันเลือกเนื้อเรื่องตนานแล้วกันบังนีก็จะเดยจมกรมในจมกรมที่จนี้ก็ได้ด้วยออืนก็ได้เดิ น, นมันาเอยมันเลยนก็ทำ่านเวลาเดินกรมไม่ต้องภาวนาเอาลอาอมรู้สึกเอารู้สึกทาแต่ปลาหมาดูส้นถ้าเราจะดูที่เดียวมันลมเลยเรินทางนี้ให้มันลูกยกขึ้นลงไป ไ ม, ใไมใ่ให้บริกรรมให้รู้ซึงพวกนักปัญญาเอาเพียงแค่รูดสซสึ่งบริกรรมนั่งลงมันแปลว่าอันีจะมุย่อยทํามันจะ ท, ำทำําให้สนานเมื่อทําอย่างนี้แล้วสํานานแล้วก็ต้องอยังมีวิธีที่จะทำตาแต่ว่าอารนั้นไม่ต้องเรียนอะไรจะทำอย่างนี้ทํามกอบตัวถ้าทําอย่างนี้มีอนิสงส์เราไปต้องวัดถามมันจะเป็นยังไงไม่ต้องถามเพราะเราได้เอาเม่ดพืชลงดินแล้ว เราควรดินแล้วเราอนามัยต้นมาพืชเป็นนั้นต้องงอกขึ้นมาจริงๆเพราะมันได้ดินแต่ได้เอาดินกบมาไว้แล้วก็เย็นผมร้อนอบอุมม่นขึ้นมาไ ด, ได้สัดส่วนกันแตกดอกขึ้นมาจะแตกเบี้ยขึ้นมาจะเป็นต้นเป็นลำออกดอกออกผลขึ้นมาเราได้รับอย่างนะั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหาเราทําจริงๆแล้วมันจะรู้จริงๆเมื่อมันรู้จริงๆแล้วสามารถที่จะเอาไปนะ น, นํางนำผลได้ เมื่อคนอื่นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอย่างที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั้นก็รเรียวนนกว่ากรละสงฆ์ของเราได้ทํางานตามหน้าที่เรียกเป็นพระได้ทุกคนเป็นพระได้พระตอนนี้ลราพระเป็ผู้สอนคนคือเราสอนเขาให้รู้จริงไม่ได้สอนให้ตัก บ, บาตรตอนเท่านะแล้วอาหารไปโกงกลกางร้อนนะครัตอนเท้านะเย็นแล้วตั้งน้ำต้มน้ำร้อ น, อ น, อ น, อนอจะถวายพระเจ้ากระสุไม่ไสนเด็กเพียงท่านสอนให้กําหนดรู้ ในไอเดียบท เ, เขาเข้าใจไนหะเออมันเป็นาเทียมเป็นคำคำแทรกู่คำนึนึกนู่อรย่างเี้วันนี้เราไม่ได้ไม่ได้คำนึกู่เลยคือเรายังมากการดูตัวแทนใะกันดูพูดโทพูดโท้ที่มีคมหมายพูดโท้เข้าใจว่าพูโท้แล้วนะพดโ ท, นะดโท้ที่เราซออขาตุนค่ะตัวไม่รู้จักเลยดูอันนี้เป็นรูกเนี่ยเขใ้สังขด้วยนะขึ้นลูไม่ใช่ลูคํำอย่างนี้ไม่ใช่ลูก อ, อันนี้รูกทำเลย นี่เป็นโลกลูกคำนามันไว้พอได้ไว้ก็นเป็นนามพอโลกติดขันองลูกนามันติดขัดลูกทำนามทำกระทำอยู่นี้เองลูกโลกนามโลกโลกมันเป็นบินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาลุกโลกนั่นเองเจ็บหัวปวดท้องเป็นโลกอันนี้โลกทางเนื้อหนังโลกทางกายโลกทางใจวันนี้ไม่เจ็บหัไม่ปวดท้องไม่เป็นอะไรแต่ว่าดีใจเสียใจ พอใจไม่พอใจชอบเปรียบต่า ง, ง, งนี่ว่าไม่ลูกโลกทางใจมันเขามีค่ะมุลุจการนี้เก็ต้องสภาพมันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นทุกทุกแ์เปคนไม่ไหวนั่งนิ่งๆดูเนะเดี๋ยวนี้มันไหวที uh ่ไหนอย่างนี้มั น, น, น uh huh. มีไหวไม่เริ่มไม่ไหวติดสงบเลยไม่ไหวโอ uh huh. ้ไหวที่ไหนเรอง uh huh. ถ้าเรานั่งนิ่งๆจะไม่ให้มันไห ว, ไวที่ไหนมันิด มันมันมันไหลอยู่เรื่อยจังหวะเป็นตัวอนิจังรเขาว่าพัฒนาไม่ได้ตัวนี้พัฒนาได้ตัวใจทุกขังเพราะมันแบบทุกอยู่แล้วยไหวอ่งซิไปทุกอันนี้จังไม่เที่ยอนักษาห้ามไม่ได้เพราะนเป็นไปตามสภาพจังหวอันเนี่ยไม่แน่นอนแต่ควาตายแน่เพราะจะไหลแฝงความตาเรื่อยใช่ไหมคนเราเกิดมาไม่ควรให้ขาดเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาทีเดียวเคยได้ยินไหม เค ไ, ได้ินไหมเินไหเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทีเดียวหมายถึงว่าคนเรามาเกิดเป็นคนเนี่ยมันนี้พูดให้มันชัดเราจะคิดว่าเราจะได้มาคิดที่ขาดอยากเข้าใจไหมเราต้องทําให้มันถึงที่สุดของเราอย่างน้อยก็ต้องให้เรารู้ในสิ่งว่าเรื่องนี้ถ้าหากเราไม่รู้จริงๆแล้วการทําการพูดการคิดนั้นจะไม่ผล ทำอันนี้เนี่ยรู้ข้าวรู้ข่าวรู้บาตรรู้บุญรู้ดีแล้วมันเนี้มันจะไว้เองนะถ้าอย่างว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะมมันจะเป็นอย่างนี้สั้ายเลยนั่นนั่นจะไว้เข้าวเปลี่ยนมันไวข้าวก็ได้นี่ฮะง่ายเพามันใจมันจะเพ่งลงไปคุ้นแรมมันนี้ยแต่เราทำอย่างเนี้ยไม่ได้ดูมันจะเป็นใจแบบเพ่งคนเดียวมมันจะเป็นคนเดียวในขณะที่ทําไว้ไวเลยมันแน่นหน่าหรือมุ่นสื่สารรีบไปทำอย่างนี้ทําั้ แล้วยังมาให้มันรู้สึกว่านี้แน่นหอกก็จะากรู้มึือจี ส, ส, าสารส่งกระแสตาไปกระจายมอดไม่จะหายอัเ น, นี้หายออกเมื่อเรามองอยู่กันแค่เดี๋มันหาย อ, อไม่ได้ให้เข้าใจไว้เราต้องทําสายสาไปกระจายมอดไปกระมองอมแล้วเราอันนี้รู้สึกอันนี้มันจะไล่ผมไม่รู้ยกคุณค่าของเรื่องการทําอันนี้มันมีประโยชน์มากค้ายๆ ค, คือวเราจะทําเอาสร้างบูจากหลังนีงไ่ได้ ยังไม่เข้าท่าเราทิศมือขึ้นนิดข้างเดียวรู้สกตูดีกว่าสร้างบนทนะเนี่ยทําไมเนีมันดีทําไมไก็เพราะมันรู้เนี่ยสร้างบทไม่รู้เนี่ยไม่รูนน้อะไรมีเด็กแก่รู้นะบุญคืออะไรไม่รู้เลยบุญคือเราแค่ขาหมือเท้าตาไม่ทิศพลิศการที่พฤกิการเขาเลไม่ทิศการคือปลอดภัยบุญึ่อมาเป็นสมบัติคนอนี้มันนี้ครับไม่ดีแล้วเกิดมาเป็นคนพิการไม่ได้ ดังนั้นยันพาดจริงพวกเราในสให้รู้จริงๆผมรู้อันเนี้ยอย่างนานเอาสามเดือนสามเดือนไม่ใช่ว่าจะนานเนยอย่างนานสามเดือนต้องรู้เรื่องลุกฐานจะทำจริงนะถ้าจะมาทำแบบนนี้เอาให้เวลาอีกสิ่งเพียงแต่เพียงให้ผมโกรธผมโลกผมหลงผมยึมดมั่นถือมั่นนิดน้อยต่อไปให้เวลาอีกปีต่อระยะสมเดือนไปไอีกปีหนึ่ง บันดนี้ครรภ์ที่เราจะให้รู้อยากแยกส ม, กมาถะกรรมฐานเรือแยกสิ่งออกมาได้ให้เวลาสามปีเราจะรู้เราจะเห็นเราจะแยกขึ้นมาจริงๆริงจะเจริญสติแบบนี้จเจริญแบบนี้ไม่เขคยเมื่อเราแยกบาปแยก้บุญแยกพระพุทธเจ้าแยกพระสงฆ์แยกสมุทแยกอะไรเแยกให้หมดเลยแล้วก็เนียนว่าสมบูรณแบบ์เราทําการทํางานตามหน้าที่ของเป็นโยก็เป็นพระได้เป็นพระก็เป็นพระได้ ที่ว่าจะเป็นภาริยาบุคคลไม่ใช่เป็นเป็นแต่ภาริยสงคนเนี่ยอารียสองอาเรียบุคคลนี่มันคือการแต่มไม่ได้สให้เราศึกษาหลัาาาากพุทธศาสนาเข้าไดังนั้นวันนี้ก็ต้องสาธิตเรื่องวิปัสนาวิปัสนาเป็นวัร้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิปัสนาวิปัสนารู้ไปรู้ีใรร่ให้รู้ไม่ต้องถา ม, มาก็ได้คิดว่าจิตใจก็ได้คิดว่านามก็ได้คิดว่าอะไรก็ได้คิวตัวตนเนี่ยคันท่าว่าตัว ต, ว ต, ว ต, วตวนนี่มีตัวกูขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักจบบุคค สมมุติต้องยืมกันมาใช้ตลอดไปถ้าไม่ยืมสมมุติมาใช้แล้วจะอมปากอมฟันไม่พูดเรื่อคนกันไม่ได้ไม่จะได้ไม่ได้นะมันต้องยืมสมมติมาพูดกันใช่ไมวิพัฒนานี่สิวะนี่รู้รู้ขึ้นมายกขึ้นมาวิปัฒนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมคำว่ารู้แจ้งเราคือรู้ตัวเรารู้จริงคือรู้กำลังเราทำเราโค้กเราขึ้นรู้จริง ยุ้ยแจงยุ้ยตางเข่าต่างเก่าจะเข้าไปไม่รู้ล่วงภาวะเดินเกลื่อนล่วงจากภาวะพัมเป็นปุถุสุเข้ามาสู่พัมเป็นอาเรียบุคคลลูกครมเป็นมนุษย์ก็ได้และจะพูดดังนั้นจิมบุคพระโสดาบันบุคคลไม่จบไม่สิ้ใ น, ในคนทุกคนจัดสงวนิขสิทธิ์ไม่ได้จะเห็นทำแบบนี้ไม่ต้องไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนรกสว่บางครั้งหนอกไม่เอะเอากําลังเคลื่อนไหวขึ้นมานี่มันรู้มันคิดให้มันรู้ ลูกมันคิดลูกแล้วมันจะพาเราไปกลับขึ้นมาอยู่อันนี้พอเดินมาคิดปุ๊บเราเห็นลูเหมือนหนูมีกับดังแรงพอดีหนูตัวนี้แล้วันับแรงแรงเลยหนูตัวน้อยตายทันทีเลยถ้าตัวใหญ่มันยังตายอยู่แล้วเนี่ยเล็กมันเกาเขาเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติดีเดี๋ยมันคิดมาปุ๊บเราจะเห็นมันปั๊บทันทีพุบคิดมันถูกฟูเลยแต่ไม่ต้องไปสงบอย่างนี้คือสงบคือว่ามันทำงานไม่ได้เดโตคิดตัวนี้มันจะปรุงแต่งห มันจะไม่มีอุปทานเราไปให้ต้องการคมสงบคือเป็นนั่งอย่างนี้แต้มันปรุงเราไม่รู้จบความมันปรุงไม่รู้คือมันไปถกไปสุกถ้าเรามาอยู่กับเพื่อนเพื่อนหลายคนคนนั้นพูดไม่พอใจเขาเลยมันหนีนะเพราะเราไม่ได้ดูมันนี้เองเพราะมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันไหลอยู่ดิใจนะไหลอย่างที่พูดแล้วปวดหันา่าทวนกระแสของน้ํามันไม่ไหลไปมันจะทวนกระแสของน้ำพอดีน้ำทนมันก็ยืนตู้ อ๋อสมมติให้ฟังเคยเคยเห็นน้นาานนานานํานา้ําไหลเชี่ยวเคย เ, <Okay. S 1> เคยเห็นไหมน้ํา้ำนอบ้านเราคอนโดน้ำนอเปยเห็นเคยเห็นไหมหนูถ้าหาา่างน้ำเชี่ยวเท่าไรก็ตามถ้ า, าเรายืนเตียงแค่นี้แหละเราไม่หวั่นไหวเลยแข็นตัวนะ <Okay. S 1> ถ้าเรายืนขึ้นมานาม้ำลึกขึ้นาขนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้ามันดึงขึ้นมาแค่นี้หล้วทามบางทีก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าเพิง น, นี้ทานไม่ไหว กดน้ำเป็นน้ำจะปลีลไปถ้ า, จานจะข้ามก็หือวข้ามก็ได้ไไอะไรก็ยังไงเราจะท้อน้ำไปดีแค่มันตัดตรงไปนี่ตัดตรงไม่ได้เพราะความดันเราไม่มีเพราะว่าสมมุติน้ำมันไหลมานี่เราจะข้ามตรงไปนี่ไปไม่ได้ น, านา้ำเพียงนี้ไปไม่ได้จริงๆน้ำเพียงนี้ไ ป, ไไนานาไปไสบายถ้าน้ำเพียงนี้เราไปเพราะ น, น้ำมันดันเราไปมันไปได้ OWN. อันนี้ก็เหมือนกันคมคิดที่แรกมันจะเข้าไปในหาวคิดพอดีเรารู้มากเข้ามาเข้ามาเจะ คมสติปัญญามันจะแรงเข้าแรงเข้าผมดันมันจะมาค่อยเข้าค อ, อยเข้าแล้วก็จะเนี่าสมมติเอาเงินน้ำมันน้อยขึ้นมาแล้วไปแรงขนาดกันเราก็ไปได้สบายอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไม่ต้องไปขอร้องอ้อนวอนกับใครที่ไหนไม่มีใครมาทําให้เราเลยที่ว่าทําเองมันไม่ใช่บุญหรือจะ ว, ว, ว่าบุญก็ได้คันว่าบุญก็ต้องยอดบุญเป็นยอดบุญแล้ว นี่อันนี้เรียก ว, ว่าวิปัสนาที่คําพูดนั่นนี่เมื่อคนได้รู้อย่างนี้แล้วอือเขาได้ต้นฐานแล้วดังนั้นวันนี้จี่วนเน้นนำมิธีปฏิบัติผลของมันการยกมือขึ้นเอามือไปเอามือมันผลการของมันกุณจะมาลังก์โมฆะโมฆะนี้ถ้าใครมีโทสามาะจะทําลายโทสามก่อนอยากเห็นโทสามโทหน่าขึงนหน่อน ถ้าใครมีโมหะาาคนนั้นจะรู้โมหะถ้าใครมีโลภะมากก็จะรู้โลภะกลก็มันจะมาตามลํากับมาดังนั้นโมหะเนี่ต้องอยู่ตรงกลางเสมอต้องอยู่ตรงกลางผมวาดังนั้นพวกเราอย่าให้พลาดจริงๆในชีวิตนี้เอาสวรรค์มีทางได้สวรรค์มีทานก็เป็นของคนธรมนธรมดาธรรมดานี่เป็นของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของผีไม่ใช่เป็นของสัตว์ดิลสารไม่ใช่เป็นของบุคคลที่ไม่รู้อยาก เป็นของบุคคลผู้ที่รู้จักรู้จักจริงๆเรื่องนี้ไม่ยกเว้นไม่เป็นของผู้หญิงไม่เป็นของผู้ตายไม่เป็นของพระสงฆ์องค์นี้ไม่เป็นของใครทั้งหมดเป็นสาขุนพุทธศาสนาจะสอนเรื่องสาขุนให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ถ้าทุกคนเอาไปใช้แลโลกไม่ก่อวาระหรือไม่จ้องไปสร้างอาวุธปุตตะให้มากเพราะทุกคนสร้างหมดแล้วความสมุางหนี่จะหมความยิบับ รู้พยายามทำ ร, รักษาหน้ทำอยู่ที่ไหนก็ไหยังวัดระก็ะย่อสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอเลี้ยบทย่อยไม่ต้องพูดอเลี้ยบทั้งสนะครับ อ, อ, บยอยเลี้ยบอันนี้อเลี้บทย่อยนะเรั้งไว้นี่แล้วิปต า, าป ร, ร, รู้ไหมย่าเป็นรลักฐานตารู้เรบัตาให้รู้สึกว่าพิปตาางกับบครับตอนนี้่เล้ยต้องรู้ในกอ น, นหายใจรู้หายใจยังไม่รู้ครับรต้องพยายามอย่างนี้นี่ปฏิญาตสัตว์สื่อนี่ คิดตามันรู้หายใจมันรู้คิดมันรู้มันจะรู้ตคิดตัวคุมคิดเนี่ยเป็นตัวกุศลนะรูุ้มคิดเป็นกุนเทวสานะ<ต>บุญมันรู้ น, นี้ญาติโยมยังไม่เคยพใจที่ข้าอาารันที่ยกับถึงสมุทัยอะไรที่แบนี้ลิมนักทุกมันขึ้นไปทุกสมุ ท, ทัยทำให้ตัว <รถ S 2> กิ <นะ S 2> กระตุ้นคิดตัวคิดเป็นตัวสมุทัยอันนี้ทุกสมุทัยทั้งกระตุ้นแลวตัวคิดมาทําให้ทุกให้ถุก สมุทัก็คือตัวที่ให้เกิดทุกข์นส่เกทุกข์เดทุกข์ทุกข์เป็นสมุทัยอย่ทุกข์นีทุกข์ทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์อย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกมืดสีดำกับมืดสีขาวเป็นทุกขนั่นเราไม่เข้าใจด้วยว่าเรามีคนุขไม่ใช่ทุกข์อันทุกข์มันแทบเหมันทุกข์หน้าดำหน้าแดงสมุทัยทำให้ทุกข์มากมากมากเป็นข้อปฏิบัติในปฏิบัติอันนี้เปฏิบัติ มัเป็นตวเพื่อให้ถึงคนตะทุกเนี่ยคือเพื่อว่ามีโรคถึงคนตะตรวจมีโลคเดียวคนตะตัวจับอันนี้ก่อนมักมักเป็วอะไรทำอันนี้มันมากเลยมคุมมักมนลุกตัวบันไดมันขึ้นมันลุกตัวเป็นมักดยจิตดูใจเราเป็นมักนี่โลคเด็กขางคนตกดับได้คือมันขึ้นมาตกมันดับบางทีมันลุกดับบางเป็นโรคเรื่องคันขา คุ้นไปจากการป่วแก่หรือคันห้าลูกคนไปได้ขันห้ากับลูกมีนาปัญญากระขานวิญญาณนะลุกพ้นไปจากการปูวแก่ไม่ไดเพราะว่าันหู้กไม่ใช่รูกคนเป็นอย่างถูกอย่างที่นิคือว่าลุกพ้นตัวมังโคลาโมคะโมคะลุกคนหงเนี่ยมันจะไม่ป่วต้องได้เออวยอดนเลือผ้าก็ไปสนเหมือนกันเราะ้ต้องทาบุญก่อนดีแล้วทาบุญแล้วพอมาได้ผลดีแล้วบุญไมได กูสนในบทนี้เรกูสนหมาถึงตลาดนะของตลาดคือตลาดไม่ใช่ตลาดเรียนหนังสือไม่ไม่ใช่ตลาดทํารูปทําอนาณนี้ไม่ใช่ตลาดต ล, ล, ลาดดูใจเราตลาดล่องคันมาให้มันหลงนี่ว่าจงมีส่วนแดงที่ข้าพระเจ้าได้กระทําลงไปแล้วในบทนี้มีส่วนแดงก็เราทําถ้าเราไม่ทําตามไม่มีส่วนแดงเราทำไม่ได้